เจสีมานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตสีมาสมมุติสีมาและนิมิตแห่งสีมาข้อหนึครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าความพร้อมเพียงมีกำหนดเขตเพียงอาวาสเดียวเท่านั้นแล้วดําริว่าอาวาสหนึ่งมีการกําหนดเขตเท่าไร